เจรพรท่านผู้มีการตรอดจมขาราช ก, การกรทมและผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านช่วงเดือนนี้ทุกท่านก็อาตมาเชื่อว่าจะมีความรู้สึกดีๆเกิ ด, ดขึ้นในใจิตใจเพราะว่า เป็นเดือนที่เราได้มาร่วมกันเฉลิมฉลองการคลองร่ายคลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งครบ6กสิปีเมื่ออาทิ่ที่แล้วนี้เองอาตมาอยู่ต่างจังหวัดแต่ก็ได้สดับตับฟังรวมทั้งอา่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ได้ยู่ตรทัศน์บ้างเมื่อลงมากรุงเทพกพบว่าความรู้สึกดี นี้เกิดขึ้นทั่วประเทศและก็ยังไม่จางหายได้ทราบว่าภาพถ่ายหรือว่าพระบรมชายาลักษณ์ในงานนี้ก็เป็นที่สอบหากันอย่างมากมายเมื่อวานนี้นั่งรถ มาตมนแถวสีแยกหลายสีแยกก็มีการเอากระโหลกฉายาลังมาขายตามสีแยกแทนที่จะขายโร่งมะลัยตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนะจะมาขายกระโหลกชายาลังหลากสีอันนี้ก็เป็นเกิื่อสังเคราะความรู้สึกดีๆความรู้สึกปราพฤษปิติในพระบราทสมเ็จพระเจ้าอยู่หัว ความรู้สึกดีๆน่นก็ยังแสดงออกมาจากการที่มีคนเนี่ยส่ง SMS มสไปตามรายการต่างๆเพื่อแสดงความรู้สึกของแต่ละคนก็จะพบว่าหลายคนเนี่ยหรือว่าหลายข้อความเนี่ยจะมีข้อความทำนองนี้คือว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยเพราะว่าได้มี พราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวนี่เป็นองค์พระบระมุขหรือว่ารู้สึกภูมิใจที่ได้มีพ่ออย่างในหลวงอาตมาคิดว่าความรู้สึกนี้คงข้อความานี้ก็คงจะแทนใจความรู้สึกของหลายๆท่านแต่ว่าอาตมาตัข้อสังเกตซึ่งอาจจะผิดก็ได้ว่าไม่ค่อยมีคนเขียนข้อความ ว่าภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันนี้เป็นความเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ผิดหรือเปล่านะส่วนจะมีความภูมิใจที่ได้เป็นคนไทยแต่ว่าจะไม่ค่อยได้มีข้อความที่แสดงความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการของในหลวงถ้าหาว่าข้อสังเกตนี้เป็นจริงนะ อาจจมาคิดว่าคงจะต้องมีความผิดพลาดบางอย่างเกิดขึ้นแล้วในหมู่ข้าราชการไทยเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยาการเป็นข้าราชการน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะภาคภูมิใจไม่น้อยกว่าการที่เราได้เป็นคนไทยหรือว่าต้องเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจสองเท่าหรือว่าดับเบิล เพราะว่าเป็นทั้งคนไทยด้วยก็ภูมิใจที่ได้มีในหลวงนะเป็นองค์พระบรมุคและก็ยังได้เป็นข้าราชการที่รับใช้ อ, อ, องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่บัวยิงอยู่ผู้ที่ให้คุณให้โทษของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นในหลวงนะอาจจะเป็นรัฐบาลจะเป็นกรทมแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเรียกว่าทําการในนามของในหลวงคําว่าราชการก็บอกอยู่แล้ว ที่จริงเราไม่ได้เพียงทำราชการในนามของพระเจ้าอยู่ัเท่านั้นนะครับต้องเรียกว่าเราเนี่ยมีอาชีพเดียวกันในหลวงเลยก็ว่าได้ด็อกเตอร์สุมเมศตันติเวชกุลเคยเล่าว่าคราวหนึ่งได้เคยทำเรื่องตั้งมูลนิธิเขาจะจะเป็นมูลนิธิธใช้พัฒนาและตามระเบียบการตั้งมูลนิธิก็จะต้องมีการาให้ผู้ก่อตั้งเนี่ย รวมทั้งกรรมการเนี่ยได้กรอบกรอกข้อความเพื่อที่จะจัดตั้งเป็นมูนิธิอันนี้เป็นรูปแบบราชการข้อความแบบฟอร์มนั้นก็มาถึงสุดเดวะเจ้าอยู่หัวนะคัพวกเราก็สรงกรอบนะกรอบเป็นคนทั่วไปและเมื่อมาถึงตําแหน่งว่าอาชีพนะพระองค์กรกว่าอะไรฮะพระองกรกว่าทาราชาการ ไม่ได้กราบว่าเป็นในหลวงนะไม่ได้มากลอบเป็นพระมังนะกรสันะพระงกรบเพรงว่าโรงค์ทำราชการแล้วคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยน่าจะภาคภูมิใจว่าได้ดูอาชีพเดียวกันในหลวงนะคือเราไม่ใช่เพียงแค่ทําการในนาของพระราทพระเจ้าอยู่หัวเนั้นแต่ว่าเรามีอาชีพเดียวกันในหลวงเลยซึ่งก็ควรจะภาคภูมิใจเหมือนกับคนที่เป็นพระก็ควรจะภาคภูมิใจว่าได้ ได้เป็น น, อน้องนู้เชื้อขายของพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ไม่ต้องสนใจว่าจะได้เป็นพระครูเป็นพระราชาคณะหรือไม่เพราะว่าการเป็นพระโดยคำคำนี้เองเนี่ยมันก็เป็นความภาคภูมิใจอยู่แล้วอันนี้เป็นความรู้สึกของตมายตัณฑ์ตันยมพรบเพราะว่าสามารถที่จะถอยหลังไปถึงพระพุทธเจ้าได้ อาตมาือคนที่ทํางานราชการเนี่ยก็น่าจะมีความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันและเพราะฉะนั้นก็กลัวจะมีความภาคภูมิใจและความภาคภูมิใจที่ได้เป็นข้าราชการนี่แหละอาตมาเชื่อจะทำให้เรา เ, เกิดความรู้สึกดีๆที่จะทํางานในหน้าที่นี้อย่า ง, างเต็มกําลังความสามารถอาตมาเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้คนเราเนี่ยทำงานได้ดี มันไม่ใช่เพราะความกลัวไม่ใช่เพราะว่าการบีบคันแต่เพราะมีแรงผลักจากข้างในมีแรงผลักจากข้างในคือและแรงผลักมันมีหลายอย่างแรงผลักจากข้างในจะมีความกลัว ซึ่งแน่นอนเกิดจากการดีขั้นจากสิ่งภายนอกแต่แรงผลักที่ดีสุดคือความใฝ่ดีความพางผูนใจอันนี้แหละคือแรงแรงผลักที่สร้างโลกเพราะคือแรงบันดาลใจอย่างเดียวกันกับที่ทำให้แม่เนี่ยเป็นที่รักของลูกทุกคน อาจจะรวมถึงพ่อด้วยแต่แม่มนจะเด่นชัดรวมทั้งผู้ที่เป็นย่ายเป็นยายเพราะว่าแม่หรือว่าย่ายายเนี่ยรวมทั้งพ่อไม่ได้ทําด้วยความบีบคั้นในการเลี้ยงลูกแต่ทําด้วยความรักและความรักเช่นนี้แหละที่ทําให้แม่เนี่ยสามารถที่จะทํางานได้นะทั้งวันทั้งคือ โดยที่ไม่มีเงินเดือนโดยที่ไม่มีสิ่งตอบแทนแต่ว่าความความดีความรักของแม่เนี่ยก็สามารถที่จะบันดาลให้เด็กตัวเล็กๆได้เติบโ ต, ตขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นคนดี เรมาเชื่อหรือว่าเวลาคนเราเนี่ยคิดถึงแม่เนี่ยนะหรือคิดถึงพ่อก็ตามเนี่ยความรู้สึกอยากจะทําความดีมันเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อเรานึกถึงความรักของแม่นึกถึงความรักของพ่อนึกถึงความรักของย่าของยายเราจะรู้สึกขึ้นมาเลยว่ามันเกิดความรู้สึกในทางบวกขึ้นในจิตใจ อันนั้นในภาษาพราะเรียกว่ากุศลลจิตความรู้สึกลกักความรู้สึกภูมิใจความรู้สึกปิดติสิ่งเหล่านี้คือความรู้สึกที่เป็นกุศลธรรมหรือกุศลจิตแล้วเมื่อเกิดกุศลจิตที่เรนมาแล้วเนี่ย <c oughs> เราอยากจะทําทความดีเราอยากจะทําทความดีอยากจะความดีให้กับลูกของเราอยากจะทำความดีให้กับผู้อื่น น่าจะมาเชื่อว่ากุศลตินี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเรานึกถึงในหลวงนะเราจะไม่ได้แค่เกิดความภูมิใจและเกิดความพลึองอกคลึงใจพร้อมที่จะควักเงินสามร้อยสี่ร้ยหร้อยหอยซื้อเสื้อสีเหลืองหรือว่าซื้อภาพราคาเป็นรนะ้อยเท่านั้นนะแตม่มาเชื่อว่าถ้าหากว่าเราสัมผัด กับความรู้สึกดีๆเหล่านั้นและเปิดโอกาสให้ความสึกดีๆเหล่านั้นเจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยเราจะมีความภูมิใจแล้วก็มีความอยากที่จะทำความดีไม่ใช่ในฐานะที่เป็นผสมนิกกรไม่ใช่ในฐานะที่เป็นคนไทยเท่านั้นแต่รวมถึงใหญ่ใหญ่ทำความดีในคาที่เป็นข้าราชการด้วยแม่ต๊ะมาคิดว่า ในช่วงโอกาสอย่างนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ดีมากที่เราจะทําความรู้จักกับสภาพจิตของเราข้างในเพราะบ่อยครั้งเนี่ยเราเรารู้สึกว่าจิตของเรามันอาจจะนึกถึงแต่ตัวเองนึกถึงแต่วัตถุหรือว่ามีความโกลธมีความไม่พอใจมีความตื้อตัดขับเพลิงใจซึ่งล้วนแต่เป็นอกุศลเท่านั้น แต่พอเราลองให้ความดีของเราเนี่ยได้เบ่งบานออกมาจากภายในอาตมาเชื่อว่าคนเราเนี่ยจะทำความดีกันได้อย่างอย่างเป็นธรรมชาติและอาตมาคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำงานราช ก, การช่วงนี้เนี่ยเราก็จะ จะนึกถึงในหลวงบ่อยๆนะแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะนึกน้อยไปหน่ยก็คือคําสอนหรือว่าแบบอย่างของในหลวงอัตมาคิดว่าแบบอย่างหรือคําสอนที่สําคัญที่สุดนะหรือว่าที่พระองค์ได้พูดบ่อยอยู่เสมอนะซึ่งได้ได้ได้จับไปหลายครั้ง อย่างนี้นที่สมัยคือความซื่อสัตนะ์เราคงจำได้คั้นเยม4ประการนะที่ในหลวงได้เทศกลับเอาไว้เมื่อสื่กว่าปีก่อนนะสมัยสรงของราชดรครบ50ปีแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีการพูดอยู่เป็นอยู่สม่ำเสมอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราอาจจะลืมไปนะมีคุณธรรม4ประการนะคุณธรรมข้อแรกคืออะไร สัจจกความซื่อสัตย์ความซื่อตรงตรงนี้ธรรมคิดว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหัวใจสำคัญของของของข้าราชการเลยสัจจกนี่ไม่ได้หมายถึงการพูดจริงแต่ยังรวมถึงการทำอย่างที่พูดด้วยนะซึ่งอันนี้ก็รวมไปถึงการมีความซื่อสัตย์เพราะว่าเราได้รับปากอะไรไปแล้ว ร, รับปากว่าเราจะเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อเรารับปากแล้วเราถามตามนั่นเราก็ได้เชื่อเป็นทายาการที่ซื่อสารประมาณเชื่อตรงนี้เป็นเป็นเป็นเป็นปัญหาสําคัญของเมืองไทยคือว่าตอนนี้เนี่ยเราเราขาดตรงนี้มากเวลาที่เราบ่นกันมากหรือว่าเยาวชนไทยเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ประมาณ 80% ของเยาวชนไทยที่เราได้ได้ได้เป็นพยารสอบถามสํารวจความคิดเห็นทั่วประเทศ 80% บอกว่าอ ซื่อหรือว่าซื่อตรงเกินไปก็ไม่ดีคาว่าเกินไปเนี่ยโดยตัวมันเองก็ไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าคําว่าซื่อตรงเกินไปนในในทัศนะของของของเยาวชนที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยก็หนะมายถึงการที่ทําไปสิ่งที่พูดและการไม่โกหกรวมทั้งการซื่อสัตย์ไม่คอรัปชันซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ ถ้าเป็นห่ที่ว่าเดี๋ยวนี้เรามีข่านิยมในเรื่องนี้น้อยกว่าทุกทีการโกงการโกงข้อสอบหรือว่าการทุจริตต่างๆในการสอบนี้เกิดขึ้นมากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของเยาวชนอย่างเดียวนะแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ก็เป็นปัญหาซึ่งข้าราชการนี้ก็จะก็จะติดอันดับหนึ่งในแง่ที่ว่าเวลาสอบถามความเห็นความ คน ท, ทั่วไปก็จะบอกว่าสิ่งที่เกิดปัญหาที่สุดของราชการคือความซื่อสัสตย์สุจนระิตทั้งนี้เพราะว่าข้าราชการเป็นคนที่มีอํานาจและความไม่ซื่อสัตย์ของราชการนี้เนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาคนเล็กคนน้อยไม่เหมือนพ่อค้าแม่ค้าซึ่งถ้าไม่ซื่อสัตยนะ์ลูกค้าก็สามารถที่จะไม่ซื้อหรือว่าสามารถที่จะฟ้องร้องได้ หรือสามารถที่จ ะ, ะต่อว่าได้แต่ราชการนั้นเนี่ยมีอำนาจแล้วก็มีมีรีบิบการต่างๆเป็นเครื่องมือก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาไม่สามารถที่จ ะ, อะตอบโต้หรือว่าทำอะไรได้และสิ่งนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าอาจมาเชื่อเลยว่าถ้าราชการนี่มีความซื่อสัตย์แล้วเนี่ยมันสามารถจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับบ้านเมืองมาก เราลองนึกไปถึงประเทศอย่างเกาหลีอย่างญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์ประเทศเหล่านี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ได้ชื่อว่าเป็นเป็นประเทศที่เจริญรุดงเรืามากและความที่เขาเจริญรุ่นเรืองก็เพราะว่าข้าราชการหรือะบบราชการนี่เป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนในการขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจการศึกษาและเทคโนโลยี ซึ่งต่างจากประเทศทางยุโรปนะอเมริกาพระระบบราชการนี่จะไม่มีบทบาทมากภาคเอกชนจะมีบทบาทมากกว่าแต่ว่าในเอเชียโดยเฉพาเอเชียตวันออกเนี่ยประเทศเหล่านี้จเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วนะเพราะว่าหลังทั้งที่อย่างญี่ปุ่นนี่แพ้สงครามเกาหลีล น, นี่ยากจนไต้หวันเนี่ยหนีคอมมิวนิสต์มาเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วพวกนี้เริ่มต้นอย่าง หลังสงครามโลกที่สนี่เริ่มต้นอย่างเกิดจะเป็นศูนย์นะฮะหรือติดลบ ด, ด้วยเราคงทราบในะญี่ปุ่นได้สงครามเกาหลีเกิดสงครามระหว่างเหนือกับใต้นะคนตายเป็นล้านเซอุมุนซโอนี่เกิดถูกคอมถูกนิสต์ยึดไปหลายวันไต้หวันนี่ต้องหนีออกมาจากคอมนิสต์สองสี่เพวกนี้เริ่มต้นจากศูนย์หรือติดลบนะแต่ว่ า, าที่นที่เจริญอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนี้เกาหลีนี่จเจริญในทุกด้านนะแม้กระทั่งภาพยนตร์นี่ก็ นะสามารถตีตลาดจงกระท่่งยุโรปก็สู้ไม่ได้ฟุตบอลนี้ก็เสมอกับฝรั่งเศสเปนแล้วนะครับอนนะี้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นคือเขา เ, ข า, เขาไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้คิดจอยต่อไปแล้วนะเป็นการเติบตัตแบบก้าวกระโดดและการก้าวกระโดดส่วนหนึงก็เพราะว่าภาครัฐเนี่ยเป็ น, นกลไกสำคัญ ที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างหนังอย่างแดดจยงคืมเนี่ยมันก็มันก็เป็นเป็นเป็นนโยบายของภาครัฐเลยนะที่รวมเหนือภาคอุตสาหกรรมนะรวมทั้งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่จะหาทางผลักดันออกมาให้ได้กีฬาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าข้าราชการะาระบบราชการเป็นตัวพักที่สาคัญและาราชการเป็นตัวพัที่สาคัญได้ก็เพราะว่า มีปัจจัยความซื่อสัตย์และประสิทธิภาพอันนี้รวมไปถึงสิงคโปร์ซึ่งไม่ต้องพูดถึงนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยเกือบส่วนใหญ่เนี่ยเคยผ่านความเป็นประเทศผลิตกา ร, รมาก่อนสิงคโปร์ยังเป็นอยู่แต่ว่าความดีความสิ่งนที่เราปฏิเสธไม่ได้คือว่าโรเชลางเขาเนี่ยมีความซื่อสัตย์เป็นอันดับหนึ่งและประสิทธิภาพตามมาเป็นอันดับสอง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านเมืองเขาได้อย่างมากในพื้ที่เมืองไทยเนี่ยนะความสื่อสัตว์ของเราตามตามตา ม, ตามการจัดอันดับขององค์กรที่เรียกว่า t r a n s p a r e n s International หรือองค์กรีความโปร่งใสานานานชาติเนี่ยเราติดอันดับ60กว่านะฮะนะเราอาจจะแพ้แพ้จีนได้ซ้ำอาจจะดีกว่าแพ้จีนแพ้ฟิลิ ป, ปิกดีกว่า ของโกกาหน้าแล้วก็อินโดนีเซียเวียดนามเท่านั้นเองนะ เ, เรื่องตัวนี้เป็นเป็นในสำคัญซึ่งทำไงเราถึงจะทำให้เกิดความความตระหนักตรงนี้ได้ซึ่งอตาตมาจะพูดต่อไปความซื่อสัตย์เนี่ยมันมันหมายถึงอะไรอาตมาคิดว่ามันมีในทีทึกซึ่งมากเมื่อประมาณสัก 8-9 ดเก้าปีก่อนอนะาตมาเคยไป ไปเป็นล่ามให้หลวงพ่อแสดงธรรมที่ประเทศอเมริการัตเนวิโยสวัดที่ที่ไปไปไปสอนธรรมานี่เป็นวัดจีนและคนที่มามาฟังธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนอเมริกันมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเย็นวันหนึ่งเนี่ยก็มีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยขับรถมาหาฝรั่งคนนี้เนี่ยดูท่าทางจะมีความความเครียด แล้วก็อยู่ใกล้ๆก็ได้กลิดเล่านะก็มาหามาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยให้ตามม า, าพูดคุยแกเครียดแกเครียดถึงท่านต้องกินเล่าถามว่าเครียดเรื่องอะไรแกบอกว่าแกเก็บเงินได้ที่หน้าขนาคาร สองพันดอลลาร์สองพันดอลลาร์อาตมาฟังก็เห็นหน่าเครียดเลยแกบอกเครียดสิเพราะว่าตอนที่แกตกงา น, นแกตกงานแกเนี่ยอยากจะเอาเงินก้อนนี้นมาใช้แต่รู้สึกว่า มันทำไม่ได้เพราะวันนี้ไม่ใช่เงินของตัวก็เลยมีการต่อสู้ข้างในมโนธรรมสํำนึกบอกว่าต้องคือเจ้าของแต่อีกฝัายหนึ่งบอกว่าเราเงเราไม่มีงานทำนแล้วก็ไม่รู้จะไปคืนใครก็เลยเกิดความเครียดข้างในเกิดการต่อสู้ขัดแย้งข้างในเลยต้องเอาเล่าเนี่ย มาช่วยยอมใจเพื่อแก้ความเครียดแต่ว่าพอหายหายหายเมาหรพอเริ่มสังมาแล้วก็ยังแก้ไม่จบก็เลยมาปรึกษาพระถ้านริแกก็ไม่เป็นคนพูดนะแกบอกไม่เึงเข้าวัดนี้เลยแต่ขับรถมาแล้วเห็นวัดก็เลยคิดว่าวัดจะให้คำตอบได้แล้มาก็เลยแนะว่าก็หาทางคืนเ็ไปแจ้งธนาคาร อาตมาเช่อตรงนี้เป็นสำคัญนะเพราะว่าถ้าถามคนไทยเนี่ยอาตมาถามญาติโยนในวันเนี่ยว่าถ้าเจอเงินเนี่ยทายัางไงส่วนใหญ่บอกเก็บใสก่กระเป๋านะันะถามว่าไอย่างนี้ผิดศีลไหมผิดศีลอาทินาทานบางคนทีบอกว่าไม่ผิดศีลเนี่ยไม่ได้ขโมยแต่อาทินาทา น, นาเวลรมณีเนี่ยเขาบอกว่าถือเอาของที่เจ้าของไม่ได้ให้ ซึ่งไม่ได้หมายถึงขโมยเท่านั้นนะฮะคุณเก็บเก็บเงินได้ของนั้นเนี่ยไอ้เงินนั้นเนี่ยเจ้าของเขไม่ได้ให้ถ้าคุณพุกเอาไว้ก็ต้องถือว่าผิดศีลข้สอสใช่ไหมฮะอันนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องการการการโกงนะการคอรัปชันนี้คือปัญหาคือว่าเวลานี้เนี่ยเรามีปัญหาตรงนี้มากนะฮะก็คือว่า ความซื่อสัตย์ของเราเวลานี้เนี่ยมันมันตีความแคบลงแคบลงเรื่อยๆจนกระทั่งตีความไปตีความมามันก็ทั้งการกินตามน้ำก็ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมแล้วก็ถือว่าไม่เป็นการคอรัปชันซึ่งอัฐบาลคิดว่าผงไม่ใช่อันนี้คือปัญหาซึ่งมันจะโยงมาถึงประเด็นต่อไปนะซึ่งแต่บาจะยึดยัง้งกับว่าเรื่องความซื่อสัตย์เรื่องสําคัญมากนะซึ่งมันไม่ใช่ มันไม่ใช่หมายถึงมันไม่ได้หมายถึงสุขทุกข์ของเราเท่านั้นแตมน่มันมีผลถึงความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองไดนะ้และประเทศเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราจะทําให้บ้านเมืองเจริญในี่ยตระหนที่ว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญและตระหนักเชื่อเหมือนกันว่ากรทมเนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวด เ, เร็วและหากว่าสามารถแก้ปัญหารงเรืองตกปด็นสองเนี่ยมันเรื่องความ ความกล้าความกล้าหาในทางที่ถูกต้องเวลานี้เนี่ยเราขาดตรงนี้มากเพราะว่าสังคมไทยเวลานี้เราเต็มไปด้วยความกลัวระบบราชการก็เต็มไปด้วยความกลัวมากและคนไทยก็เต็มไปด้วยความกลัวเรากลัวทัรเข้าเทศเพร่อวานเนี่ยต่มาพิไ่ไปไปไปประกาศฐานในงานครบหกสิบ็ดปีวันเกิด อ, องซังซูจีทุกท่ า, านคงสร้าบองซังซูจีนี่เป็นผู้นําพม่าซึ่งถูกกับบริเวณในประเทศพม่ามันเป็นเวลา รวมแล้วสิบกว่าปีในช่วง17ปีที่ผ่านมาองารสุญญ์กพูดว่าสิ่งที่ทาให้คนเราเสื่อมทรามเนี่ยนะมันไม่ใช่อานาจนะมีคนอันนี้อันนี้ขัดกับที่ฝรั่งคบอกลอตแอคต์าแบบอแอคต์ตาบอกว่าอนาจทาให้เสื่อมทรามยิ่งอานาจเด็จการมาถลงไปทาให้ทําให้เสื่อมทรามมาเท่า น, น, นั้น แต่ว่าองศาตุยบอกว่าไม่ใช่หรอกอำนาจไม่ได้ได้ทำให้เสือส่อมทามความกลัวทางท่าที่ทำให้เสือส่อมทามเพราะว่าคนเราเมื่อกลัวแล้วเนี่ยนะเช่นกลัวสูญเสียตําแหน่งนะเราก็พร้อมที่ทำอะไรก็ได้เพื่อที่จะไม่ให้สูญเสีย อ, องซานุจีบอกว่าเนี่ยปัญหาของเขามาเวลานี้เนี่ยที่ยังตกอยู่แพยใต้ปฏการเพราะาทหารเนี่ยเขากลัวเขากลัวคนอย่าง อ, องซานุจีเป็นซึ่งเปีนตัวเล็กๆ ค, คนหนึ่งเพราะเขากลัวว่าจะสูญเสียมหน้าก็ทำให้ไม่ยอมที่จะเปิดบ้านเมืองให้เป็นประชาธิปไตยสักที และผลเสียก็ตามมาอย่างมากมายเพราะสิ่งเดียวนั่นคือความกลัวเวลานี้คนไทยเรากลัวหลายอย่างเรากลัวเรากลัวว่าจะไม่รวยเท่าคนอื่นะเรากลัวว่าคนจะเกลียดนะอย่างนที่มีท่านผูเ้เป็นประธานในพิธีท่าว่าถ้าไม่กลัวคนเกลียด แต่คนส่วนใหญ่กลัวกลัวคนเกลียดกลัวจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้กลัวเป็นแกะดำกลัวเป็นกลัวเป็นที่เรียกภาษ า, าบาลีวหมาหัวเน่านะหรือกลัวที่จะไม่มั่นคงในชีวิตและสิ่งเหล่านี้ต้องมาคือเป็นเป็นประเด็นสำคัญมากที่ทำให้สองมุมไทยเวลานี้เนี่ย ตกต่ำโดยเพราะเข้าไปสู่การคอร์รัปชันเพราะการคอรัปชัมาช่อ ว, ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากความรู้สึกว่ากลัวจะไม่มั่นคงในชีวิตหลายคนบอกว่าฉันต้องทาเพื่อความอยู่รอดมันไม่ใช่ความอยู่รอดนะจริงๆอยู่รอดได้แต่สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการความมั่นมั่นข้างมั่งคงเขาต้องเขากลัวที่จะ ถูกดูถูกเพราะจนนะคือกลัวจนแต่ที่จริงสิ่งที่เ้าทำเนี่ยมันมากมันมากมันมากกว่าความอยู่รอดมันมากกว่าการอยูคนแตความจนนะแต่ว่าเขาต้องการที่จะเทียมหน้าเถียงตาหรือว่าไปสูงกว่าคนอื่นแล้วเป็นกันหมดนะเด็กๆ ก, ก็เป็นเด็กกลัวว่ากลัวจะเข้าขคนอื่นไม่ได้นะ เด็กใครก็มีโทรศัพท์มือถือกันฉันก็ต้องมีบ้างและจะมีเครื่อนสองพันสามพันไม่ได้เพราะว่าเพื่อนก็มีกันเครื่องละมือถ่ายรูปได้ด้วยฉันก็ต้องมีบ้างเด็กเป็นอย่างนี้กันนะฮะเด็กทําไมใส่สายเดียวหลายคนบอกก็เพื่อนใส่ก็ต้องใส่บ้างแล้วเด็กทําไมหลุดเข้าไปในวงจรของการขายตัวหรือว่าการเสียตัว ก็ก็บอกว่าก็คนอคื่นเขามีแฟนทั้งนั้นนะฉันไม่มีฉันก็อายเขานะความกลัวนะที่จะเข้ากับเพื่อนไม่ได้นะทำให้หลายคนต้องติดเหล้านะลองถามนะฮะคนที่มาบวชพระที่วัดหอตมาเนี่ย อนนัตักษก็ถามเลยเพราะว่าทำไมกินเหล้าเขาบอกว่าเพื่อจะเข้าสังคมเพราะถ้าไม่กินเหล้าแล้วเข้าสังคมไม่ได้ก็กลวัวนะและทิ้งคอร์รัปชันกันเพราะกลัวนะอย่างแรกๆก็กลัวว่าจะเป็นแก่ดําถ้าไม่ถ้าถ้าซื้อตรงนะถ้าตรงชินแล้วลอกตัวที่กลางชินหมดก็อยู่ไม่ได้กลัวนะและที่มากไปนั่นคือกลัวจนกลัวว่าจะรวย กลัวกลัวจะไม่ไม่ทัดหน้าเทียมตาผู้นี้สองลูกชายวลาเจอสังคมที่เต็มด้วยความกลัวมากและนี่คือปัญหาว่าเราต้องเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องความสื่อสาตสุจริตได้ถ้าว่าเราไม่สามารถมีความกล้าขึ้นมาให้ได้และแน่นอนคนที่จะปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คนเกิดความกล้าขึ้นมาได้ก็คือการมีผู้นาที่เป็นแบบอย่าง ซึ่งที่จริงเมืองไทยก็ไม่ได้ขาดนะแต่ว่านับตันเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆแต่เรายังมีอย่างในหลวงพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าคนจะบ ไ, ไม่นายก็บอกคนจะบ้ไม่นายก็มองว่าพระองค์นั้นเนี่ยอยู่ไกลต้องยอไกไว้บนที่แต่ว่าที่อยู่ไกลๆนั้นเนี่ยไม่สามารถเป็นแบบอย่างแต่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้นาต้องมีบทบาทสำคัญมากผู้นำเหน่งกว่าที่ต้อง เป็นแบบอย่างของความกล้านะจะต้องกล้าให้ได้และที่จริงเราแต่ละคนก็เป็นผู้นำนะฮะพอเราแต่ละคนเป็นผู้นําครอบครัวทุกวันนี้เนี่ยพ่อแม่บ่นเรื่องลูกมากลูกกวัวง้ลูกกลั ว, ยลกกลวยอย่างนี้แต่ไม่ได้ถามว่าแล้วเราเนี่ยมีส่วนทําให้ลูกเป็นหรือไม่ลูกเปล่าเราได้แสดงความกล้า ให้ลูกได้ประกฏติไหมผู้ใหญ่เวลานี้ได้แสงความกล้าให้ปัญญาวชนได้ได้ตอนหนักหรือเปล่าเราไม่มีนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเรากล้าอีกอย่างนะีเรากล้าทําชั่วแต่เรากลัวทําดีนะกล้าทําชั่วกลัวทําดีเป็นอย่างนี้ไปนะฮะเวลา น, นี้กมหลายเดินงานเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณมากนะ ว่าที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี้กล้าเหลือเกินแต่เวลาที่จะทำความดีเช่นขอโทษหรือว่ากล้าที่จะลากออกไม่กล้านะกล้าที่จะตัดสินที่ขัดแย้งกับผู้มีอำ น, นาจหรือกล้าตัดสินที่ทำผู้มีอำ น, นาจเขาสู่เสเขาจะต้องไม่พอใจไม่กล้านะเรากลัวทำดีแต่เรากล้าทำชั่ว อันนี้คือเป็นปัญหาเชื่อแต่มาคิดว่าถ้าเราเราไม่สามารถที่จะแก้ตรงนี้ได้นในที่สุดเราก็จะต้องรับกรรมเราเองเพราะว่าในสุดลูกของเราหลานของเราเขาก็จะมาสร้างภาระให้แก่เราเพราะลูกของเราหลานเราเขาก็จะกล้าทำชั่วครัวทำดีเหมือนกันกล้านคะ้ายาบ้ากล้ า, า, า, า, าที่จะ ตีลันตนแทนกันกล้าที่จะขโมยของแต่ว่าไม่กลัวที่จะทำความดีกลัวที่จะทําความดีเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ทํากันประเด็น<ม>ต่อมาตอนเช้าหน่อยนอจากความซื่อสัตย์ความกล้าที่จะทําดีแล้วเนี่ยยันที่มันโยงมาสู่ มาสุ่ข้อที่สามคือเรื่องของความรู้จักพอเพียงในชีวิตที่เดี๋ยวนี้เราพูดว่าชีวิตพอเพียงซึ่งตรง น, นี้มันก็โยงไปถึงเรื่องของความซื่อ ส, สัตย์จริเป็นอะไรที้พูดเรื่องมากเรื่องเศริ จ, จรพอเพียงเรื่องชีวพอเพียงแต่ว่าเราไม่เคยถามกันนะว่าพอเพียงไปทไํ า, าไม่ถ้ามาเชื่อเราก็ต้องถามนะว่าเราต้องพอเพียงไปทําไมพอเพียงเขาในหลวงบอกเลย ถ้ามันพอมาสมาธิของไม่พอสมาธิว่าในในพุทธศาสนาเนี่ยหรือในความเป็นส่วนตัวเนี่ยความพอเพียงมันสาคัญเพราะว่ามันคือบ่อกเกิดแห่งความสุขและเป็นบ่อกเกิดแห่งความดีด้วยในทางพุทธศาสนาความสุขกับความดีมันมันไม่ได้แยกจากกันเราควรมีชีวิตพอเพียงแล้วเราควรสอนลูกให้มีชีวิตพอเพียงเพราะว่ามันทําให้ชีวิตมีความสุข พรถ้าคุณรู้จักพอแล้วเนี่ยคุณจะรู้จักหยุดคนที่ไม่หยุดเนี่ยมีความสุขไม่ได้นะคนที่หยุดไม่เป็นที่มีความสุขไม่ได้นะ อ, อยากอยากอยู่เรื่อยๆเวลามีความอยากที่มีความสุขไหมฮะโดยตัวมันเองความอยากก็ทําให้จิตใจมันร้อนโดยเพราะความอยากที่มันเป็นเรื่องของอยากมีอยากได้เนี่ยอยากเสร็จเนี่ย เพียงแค่มันเกิดขึ้นใจก็ทุกข์แล้วคเพราะว่าเรามักจะอยากในสิ่งที่มันอยู่ไกลตัวเรามักจะอยากในสิ่งที่เราไม่มีถ้ามันมีอยู่ใกล้ตัวเราไม่อยากแเรามักจะอยากในสิ่งที่เรายังไม่มีและเมื่ออยากมันก็ทำให้ต้องดิน้นรนดิน้นรนแล้วได้มามีความสุขก็จริงแต่ก็มีทุกข์อย่างหมายตามมาก็คือว่าต้องรักษา ต้องคอยหวงแหงนะถ้าได้ไม่พอนะเกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกว่าบางทีได้มาแล้วเนี่ยถ้ามันน้อยได้น้อยกว่าคนอื่นก็ทุกข์อีกนะปัญหาคนเวลานี้เนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนเราอยากจะรวยเท่านั้นนะครับแค่นั้นยังไม่พอ เราอยากจะรวยมากกว่าคนอื่นด้วยเวลาเอาข้าวผมไปแจกชาวบ้า น, นในชนบทเนี่ยหน้าหนาวจากบ้านละผืนบ้านละผืนบ้านละผืนชาวบ้านดีใจนะแต่พอไม่รู้ว่าไอ้บ้านอื่นมมนได้สองผืนนี่ เป็นยังไงฮะยิ้มได้หรอ่ไม่ได้ทุกกว่าตอนที่ยังไม่ได้แจกข้าผมอีกมันไม่ได้เด็กกับชาวบ้านนะคนทั่วไปก็เป็นในบริษัททั้งร้านเวลาแจกให้บนนักันมือนหนึ่งดีใจนะดีใจแต่คนอื่นพอรวงหนึ่งกได้สองหนื่นรู้สึกไงโนะูบเลยในชะ่ไหม ได้โบนัสเดือนหนึ่งเออดีใจแต่พอรู้วยคนเขาได้สอ ง, ดองสองเดือนนี่ทุกเลยนะฮะทุกกว่าตอนที่ยังไม่ได้อีกทำไมนะมันน่าจะดีใจกว่าตอนที่ไม่ได้นะแต่ทำไมเรากลับทุกกว่าตอนที่เราไม่ได้เพราะว่าเราต้องการที่จะได้มากกว่าคนอื่นนและนี่แหละคือปัญหาเคยถามตัวเองไหมฮะว่า ทำไมต้องทุกด้วยในเมื่อฉันก็ได้เพิ่มขึ้นหมื่นหนึ่งนะเมื่อวานนี้ยังเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เลยวันนี้ได้ห้าหมื่นหนึ่งมันน่าจะมีความสุขกว่าเมื่อวานแต่ทําไมทุกเพราะเราชอบไปมองเนอื่นนะเพราะปัญหาของเราคือเราไม่รู้จักพอเนี่ยนี่แหละคือสิ่งที่เรียกว่าไอ้ความพอเพียงนี่คือความพอใจนในสิ่งที่เรามี แต่เราไม่พอใจในสิ่งที่เรามีเพราะเราไปมองคนอื่นตลอดเวลาเราไปมองคนอื่นตลอดเวลาเมื่อมองคนอื่ตลอดเวาก็จะรู้สึกด้อยจะรู้สึกกลัวว่าไม่ทันเขาจะรู้สึกว่าเสียหน้าก็ทำให้อยากจะได้มากปัญหาคนเวลานี่ของคนเราเนี่ยมันไม่ใช่เพราะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่อยากจะได้มากนะฮะ แต่ยังอยากจะได้มากกว่าคนื่นทุกสองต่อเลยฮะแค่อยากจะได้มากนี่ก็ทุกแล้วและยิ่งต้องได้มากกว่าคนื่นดก็ทุกข์ก็ไปใหญ่แต่ถ้าเราเริ่มรู้จักพอนะมันดุดนะสิ่งที่จะวัดว่าวเรามีความสุขหรือไม่มนะันอยู่ที่ตรงที่ว่าดุดหรืออยางคนที่หยุดไม่ได้ไม่มีความสุขนะะ การที่หยุดไม่ได้โดยตัวมันเองก็แสดงว่าไม่มีความสุขอู่แล้วและการที่ทำตามการที่วิ่งไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยโดยตัวมันเองก็ทาให้ไม่มีความสุขเข้าไปใหญ่แลเนี่คือเคล็ดลับในการมีชีวิตที่เป็นสุขนะก็คือการรู้จักรู้จักพอการมีเงินมากๆนี่ก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตมีความสุขนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ เรายังเข้าใจข้ไม่เพิ่เมื่อสองปีก่อนนะั้นมีคนหนึ่งเนี้ยเป็นพ่อค้าเล่แกถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแกซื้อหลายใบแกได้ยี่สิบล้านยี่สิบล้านบาท้าพัวตัวไม้หน้าหนึ่งนางสุภินไทยรักหนึ่งเดือนต่อมา พาดหัวอีกว่าคนเนี้ยสดยาพิษาตัวตายเกิดอะไรขึ้นนะมียี่สิบล้านก็น่าจะมีความสุขใช่ไหมแต่ก็บอกว่าแกไม่มีความสุขเลยเพราะใครต่อใครก็มาหามาขอแกให้นะฮะแกเตรียมไว้สามล้านเพื่อจะแจกโดยเฉพาะ อีกหนึ่งร้านแจกลูกคนละร้านคนละร้านอีกสองร้านซื้อบ้านอีกร้านมงซื้อรถแล้วที่เหลือเก็บเอาไว้คนที่มาขอแกให้พันอยากได้มื่นแกให้หมื่นอยากได้แสนหลายคนก็ไม่พอใจบางคนก็โทรมาขู่ข้าวจุดที่แกทนไม่ได้คือคนมาโทรมาขู่ข้าวาจะฆ่าแกกับเมียเครียดมากเลยบอกว่าตายดีกว่า สนยาพิแต่ลูกมขาช่วยได้ ท, ทั้นักสืบพิมก็ไปสัมภาษณ์นะแล้วแก่พูดไว้ประยงน ะ, ะน่าสนใจมากแกบอกว่าตอนเป็นพ่อค้าเล่เนี่ยหาเช้ากินค่ำเนี่ยมีความสุขกว่าเป็นไหนๆหนะมาเห็นศัตรธรรมตอนที่ได้เงินตอนที่รวยแล้วแล้วก็พบว่าการมีเงินมากๆก็ไม่ได้ทำให้มีความสุข นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไปนะในเมริกาเมื่อสามสปีก่อนมีคนหนึ่งแกถูกหวยแกถูกรอตตลีเนี่ยสาม้อยสี่สิบล้านดอลลาร์ดอลลาร์นะฮะสามสิล้านดอลลาร์มันกี่มันมันเท่าไหร่มันเป็นหมื่นมืนลาน้านบาทห้าปีหลังจากนั้นหัวเป็นโลกสุราเรื้อลัง เมียต้องแยกทางกับผัวแกบอกชีวิตแไม่มีความสุขเลยไมนะ่มีความสุขได้ไงะผัวมีความผัวนี่ไม่ต้องทงานก็เอาแต่กินเอาแต่เที่ยวจนกรทั่งติดเหล้านะจนมาพ่นบ้าสารพัดชีวิไม่มีความสุขแกบอกว่าเกอยากจะย้อนกลับไปวันที่ซื้อหวยซื้อซื้อรับโตเนี่ย จะบอกใจฉีรัตตเรียนิงเพราะชีวิตจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนไนทางที่เลวร้วายเนี่ยทำไมเราถึงชีวิตออปลอ่เย็นสำคัญนะเพราะว่าความสุขมาไม่ได้อยู่ที่วัตถุ ก, นะการมีวัตถุมากๆการมีเงินมากๆไม่ได้เป็นหลักประกันว่าชีวิตจะมีความสุขอาจจะแย่ลงได้ซ้าแล้วไม่ต้องรอให้ถูกป่วย มันเราทุกข์อยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดเรารู้จักพอเราอยากได้โทรศัพท์มือถือนะเขาขายหมื่สองขาขายสองมื่นหยัดได้ก็ไปหาหาซื้อจงมาะทั่งไปได้ล้านหนึ่ง เขาลดสี่สิบเปอร์เซ็น์นะสองมืนใช่ซื้อมาได้หมื่นสองซื้อราคารถนะดีใจนะกลับมากลับมาที่บ้านจะไปโชว์เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบอกเฮ้ยผมซื้อได้หมื่นหนึ่งไอ้ที่เคยยิ้มนี่หุบเลยฮนะ เป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าไปซื้อของไปซื้อไปเที่ยวเชียงใหม่ไปไปต่างประเทศซื้อของถูกต่อราคาห้านระ้อยเราซื้อได้สองห้าสิบบอกว่าเพื่อร่วมทีมเพื่อรวมทัวร์เราซื้อได้ร้อยห้าสิบโอ้โมโหทำไมโมโหนะฮะเราก็ซื้อได้ถูกอยู่แล้วจะไปโมโหทําไมนะ ได้ของได้ของถูกได้ของที่ถูกใจก็น่าจะมีความสุขแต่ทําไมเรากลับทุกข์กว่าตองที่ยังไม่ซื้อถ้าเรามีความพอพอใจในสิ่งที่เรามีนะเราจะมีความสุขแล้วเราจะเห็นคุณค่าของชีวิตพอเพียงและเมื่อเราชีวิตพอเพียงเราก็จะมีความพอดีคนไทยเวลานี้นี่ ตาไมไห้ว่าตายเพราะโรคขี้เกียจกันชั่วโมงลเท่าไหร่โรคขี้เกียจคือโรคจากเบาหวานความดันอ้วนนะฮะโรคหัวใจสารพัดเนี่ยนะชั่วโมงละเก้าคนชั่วโมงละเก้าคนโทษโลกตาเพราะโรคขี้เกียจนาทีละสี่คน ของไายตายชั่วโมงละเก้าคนเพราะอะไรฮะเพราะมันสบายมากไปสะดวกสบายมากไปกินมากไปการที่สะดวกสบายมากไปเช่นไปไหนก็ขับรถนะไม่เคยขึ้นบันไดเลยใช้แต่ลิฟต์นักเรียนก็เป็นอย่างนี้นักเรียนอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเดินแล้วฮะนั่งรถไปอยู่โรงเรียนก็ไม่ต้องเล่นอะไรไม่ต้องวิ่งวิ่งเล่นอะไรแนละ้ว เล่นเกมโกดอย่างเดียวกลับมาบ้านดูโทรทัศน์กินแฮมเบอร์เกอร์กินขนมจังฟูนกินขนมกรอบแกบทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทีนี้เดียวนี้ตายชั่วโมง ล, ละเก้าคนนี่เรโลคขี้เกียจนะกระทรวงสาธารณสุขต้องลมรงลงให้ต้องออกกำลังกายต้องเต็นไฮโลบิท ก, กันนี่ไงฮะก็คือชีวิตที่มันเกินพอดีไปแล้วมันเกินพอดีไปแล้ว ในสมาชั่วเนี่ยความว่าชีพพอเพียงเนี่ยมันไม่ชนมันแยกไม่ออกกับคำว่าพอใจเราพอเพียงเพราะเราพอใจในสิ่งที่เรามีเราหยุดแล้วฮะเราไม่อยากโดยพราะไม่อยากที่จะเสดไม่อยากที่จะบริโภคแต่ไม่ใช่หมายความไม่ได้หมายความว่าไม่ทํางานก็ยังทํางานอยู่ยังขยันอยู่ แต่ว่าสิ่งที่ได้มาแล้วเนี่ยเราก็ยังบริโภคเท่าเดิมส่วนที่เหลือเหลือมากขึ้นเราก็ไปทําบุญไปทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมหรือเอาเวลาที่เหลือนั้นไปทาประโยชน์ซึ่งเวลานี้เนี่ยนะมันมันกำลังเป็นกระแสเป็นวัฒนธรรมนะเศรษฐีจำนวนไม่น้อยในอเมริกาตอนนี้ เลิกแล้วฮะบิเกตประกาศจะดยดงานแล้วอีกสองปีข้างหน้าบิเกตเสรทรีมอันดับหนึ่งของโลกบอกจ ะ, กะเกษียณแล้วครับไม่ได้กเกษียณจากการทํางานนี่จ ะ, กะเกษียณจากการเมคมันนี่เพราะาเขาเรืยอันดับหนึ่งมาเขารู้สึกว่าในสุดเขาเขาพอแล้วเขาบอกเขาจะเอาเวลาที่เหลือเนี่ยไปทํางานเพื่อช่วยมูนิีิที่ตั้งชื่อในนามของเขา บิล l กตบิลบิลเกตบิลและ m มดเมลิน a าเกตซึ่งทำเรื่องเกี่ยวกับการช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขในประเทศโลกที่3คิโลกเอโลกเบาหว า, วาวนโลกวันโรควันมาลาเรียแต่เราไม่ต้องรอว่าเราต้องเป็นบิลเกตเสียก่อนเราถึงจะเราถึงจะหยุดเม k มันนี่หรือหยุดหางเงิน คนจนวนไม่น้อยนี่เขาก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างสบายแต่ก็ไม่ได้หยุดที่จะทำงานแต่เขาหยุดหาเงิ น, นเพราะเขามีความอยากขพอแล้วเขาก็เอาเวลาไปทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่แก่สังคมเราคิดว่าการพระราชการเนี่ยเราจะมีความสุขมากคือเนีถ้าเราถ้าเราเข้าถึงความสุขจากชีวิตพอเพียง เริ่มต้นจากการพอใจในสิ่งที่เรามีนะเริ่มต้นจการพอใจสิ่งที่เรามีแล้วรู้จักพอดีในสิ่งที่เราเศษในสิ่งที่เราบริโภคสําคัญมากเลยฮะพอใจในสิ่งที่เรามีและพอดีในสิ่งเศษสิ่งบริโภคเนี่ยนคะิตพอเพียงจะเกิดขึ้นได้และเป็นชีวิตที่มีความสุขแล้วไม่มีความสุขแล้วนะฮะเราไม่กลัว เราเราไม่กลัวเราไม่กลัวเมื่อเห็นคนอื่นเขารวยกว่าเราเพราะเราก็ไม่ได้จะให้คนที่รวยกว่าเรา ม, มีความสุขกว่าเราจริงๆรืคนที่รวยกว่าเราทุกก็มีลูกติดยาลูกชายติดยาส่วนลูกสาวนะมีคู่คนแล้วคนเราไม่เคยรวงตัวสักทีแล้วเราก็เลิก ครอบครัวนั้นเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าสามีมีชู้ไหมเราไม่รู้เลย <c oughs> คือเวลานี้ยเราไปคิดว่าคนที่รวยกับเราจะมีความสุขกับเราที่จริงไม่ใช่นะคนที่รวยกับเราทุกข์กับเราก็มีเยอะแต่นั่นไม่ใช่เรื่องแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราบาเราสามารถจะมีความสุขได้จากชีวิตจากสิ่งที่เรามีอยู่ขอเพียงแต่เรามองให้เป็นก็จะเห็นได้ว่า ความสุขนี่มันมีอยู่กับเราตลอดเวลาเราอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีรถคันใหญ่นะแต่เรามีบ้านอยู่เรายังมีพ่อมีแม่มีสุขภาพดีปัญหาเพื่อเวลานี้เราเราไม่เคยได้มองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่เรามีคนเราเนี่ยตอนมีสุขภาพดีก็ไม่คยเห็นคุณค่าเท่าไหร่นะไปคิดว่าความสุขเกิดจากการมีรถมีบ้าน แต่พอป่วยไม่ต้องป่วยเป็นมะเร็งนะฮะไม่ต้องป่วยเป็นเอสดนะ้ะแค่ปวดฟันปวดโลกระเพาะเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าไอ้ความเจ็บกามที่เรามีสุขภาพดีมันเป็นมันเป็นโชคที่มีคุณค่ามากและยิ่งเป็นมะเร็งเป็นเอกด้จะรู้เลยว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ไม่ได้ช่วยเลยเศรษทีร้อยล้านพันล้านก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดจากโรคมะเร็ง หรือจะตายเพราะโรคหรือที่ไม่ใช่มะเรงก็ปร่บก็ตายาก็ราะโนี้กันทั้งนั้นเงินไม่ได้ช่วยสุขภาพสําคัญกว่าหรือถ้าเรามองถ้าเรามองให้เป็นเนี่เราจะเห็นว่าสิ่งที่เรามีทุกวันนี้เนี่ยมันก็มีความสุขก็ทาเรามีความสุขได้นะแต่คนร้อนเนี่ยมักจะเห็นคุณค่าของเราเรามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีก็ต่อเมื่อมันสูญหายไปแล้วตอนที่พ่อแม่อยู่ก็ไม่ได้นึกถึงอะไรแต่ตอนที่ท่านไปแนละ้ว ถือข้ามาเสียใจโอ้เราไม่ตอนนี้ท่านอยู่กับเราเนี่เราไม่ได้ใส่ใจท่านเลยมีเวลาอยู่กับท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ชื่นชมอะไรเท่าไหร่ทาไมเราต้องมาเห็นคุณค่าต่อเมื่อให้ท่านไปเสียแล้วถึงเนคุณค่าละรถของเราบ้านของเราโทรศัพท์ของเราเก่าๆก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่แต่พอถูกขโมยไปก็มาเห็นคุณค่าขึ้นมา ทำไมแล้วก็มอเห็นคุณค่าตอนเมื่อมันไปแล้วสิขณะที่ยังมีอยู่เนี่ยก็เห็นคุณค่าชื่นชมในสิ่งที่เรามีอย่าอย่าเป็นอย่างเป็นอย่างหมาข้ามเนื้อในทันยิสโสมจำได้ไหมฮะหมาข้ามเนื้อในทันยิสโสมันข้ามเนื้อมานะแล้วก็ดีใจนะก็ขณะที่จะอ่า ไปไปกินในที่ที่ปลอดภัยมันก็เดินข้ามแม่น้ำํำข้ามสะพานมองกันมาข้างล่างเห็นมีไม้ตัวหนึ่งอยู่ที่หินอยู่ที่ถิ่น้ําที่จริงก็คือเงาของตัวเองนั่นแหละในเงานั้นเนี่ยชิ้นเนื้อในเงานั้นเนี่ยมันชิดเนื้อใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่ตัวเองข้าอยู่หมามันอยากได้เนี่ยชิ้นเนื้อนั้นมันทํางไงมันก็อา้าปากจะไปงับชิดเนื้อในแม่น้ําที่เป็นเงาผลก็คือว่า เ ง, งาในแม่น้ําเนื้อในเมื่อเนื้อที่เป็นเงาในแม่น้ําก็หายเนื้อที่มันคาวอยู่ก็ปตกรงน้ําอดทั้งสองอย่างนะฮะสิ่งที่มีอยู่ก็ไม่ได้ไอสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็สูญหายไปเวลานี้เราไปรอความสุขจากสิ่งที่มาไม่ถึงซะเยอะนะฮะรอว่ามีความสุขว่าถ้าได้เลื่อนทัานเมื่อไหร่จะมีความสุขถ้าได้ลดขันหมายเมื่อไหร่จะมีความสุ ข, ถ, ถ, สขถ้าได้โทรศัพท์มือถือเมื่อไหร่จะมีความสุข แล้วพอได้จิงมีความสุขหรือเปล่านะแล้วเราก็วิ่งเลือยไปนะเพราะเราห ว, หวังว่าเอาความสุขของเราเนี่ยความสุขของเราเมันอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาถ้านันที่ความสุขของเรามันอยู่ตรงนี้อยู่ปัจจุบันอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่จะไม่ดีกว่าหรือถ้าเราจะมันชื่นชมและสัมผัสความสุขที่เรามีอยู่หรือเป็นอยู่แทนที่จะคอยหวังว่าถ้าฉันได้ อย่างงอนอย่างนี้ถ้าฉันเลื่อนท่านแล้วฉันจะมีความสุขแล้มไม่เคยมาถึงสักทีะไม่เคยมาถึงมันมีทิ่ทานจีนอยู่เรื่องหนึ่งนะสั้นๆมีคนหนึ่งเนี่ยเ ข, เขาเาเกลียดเงาของตัวเองและเกลียดรอยเท้าก็าก็วิ่งนะ พยายามวิ่งวิ่งเท่าไหร่เงาก็ยังตามรอยเท้าก็ยังตามอยู่นะเขาวิ่งจนกระทั่งอาทิตย์ตกดินรอยเท้าก็ยังตามอยู่เขาวิ่งไปจนกรทั่งสุดขอบฟ้าเงาก็ยังตามอยู่รอยเท้าก็ยังตามอยู่แล้วเขาวิ่งจนตายเงา และรอยเท้าก็ยังไม่หนีไปไหนเขาหารู้ไหมว่าวิธีที่จะทำให้มันให้เงาและรอยเท้าหยุนี่ทาไงนั่งอยู่ใต้ต้นไม้รบอยู่ในร่มเงาของต้นไม้เงาก็หายรอยเท้าก็ไม่มีไม่ต้องวิ่งไม่ต้องหนีหยุด จิตพอเพียงคือชีวิตที่ทําให้เราอยู่ได้และเมื่อเราอยู่ได้ ก, ก็มีความสุขแต่เราพูดมา3ข้อนะครข้อที่สีอนมัยที่ว่าสิ่งที่เป็นจิตสํานึกของข้าราชการนอกจากเรื่องของความซื่อสัตย์ความกล้าและการรู้จักพอเพียงแล้วเนี่ยแต่ท่าที่ข้าราชการอนมามัยที่ว่าความ ความอ่อนน้นมถ่อมตัวความไม่ถือตัวสําคัญมากเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่เราเราเราเราขาดติดเราขาดตรงนี้ไปนะเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวเนะี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่น่ารักเลยแล้วก็จะหลงแกมหน้าผมว่าจะลัน หลพ่จริญหลายท่านคณรู้จักนะฮะจังหวัดสิงห์บุรีหลวพ่อเจรินท่านเคยเล่าว่าสมัยที่ท่านยังเป็นยังยั ง, ยงสักษา 4, 4 0สปีก่อนนะฮะท่านมีทุนละไปที่สารากลางสิงห์บุรีนะฮะสมัยนั้นก็ท่านก็จะไปจะไปพบศึกษาธิการจังหวัดก็นั่งนั่งนั่งอยู่ที่หน้าห้อง น, ะนั่งอยู่ข้างหน้าใกล้ใกล้กับโต๊ะเสียียน ก็มีผู้กำกับคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาที่ศาลากลางขึ้นมาแล้วก็ตรงมาที่เสียนแล้วก็พูดเสียงดังเลยว่าเป็นไงเรื่องไปถึงไหนแล้ววะพวกนี้ผู้กำกับ เรื่องเด็กเข้าโรงเรียนเนี่ยช่วยกันหน่อยสิเสนีย์ก็บอกครับครับครับครับพู้อุกับ ก, ก็บอกว่ามีงานอ็คุณภาใสากันให้ได้นะเสนี ก, กค็ครับครับแล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยศึกษาก็ไม่อยู่นะยังเซ็นให้ไม่ได้ พวงกับก็ก็เลยเห้าไปเดินออกจากศาลากลางแล้วซึงนี่ก็บอกกับหลวงพ่อว่าที่จริงผมเสร็จมาต้องนานนะครับแต่ว่าผมเก็บเรื่องเอาไว้นะเพราะพวมกับมีสแสดงอำนาจบาดใจเหลือเกินสักครู่เนี่ยสักพักเนี่ยก็มีหัวหน้าสารมาหัวหน้าสารแต่งตัวเต็มยศเลยน ะ, ะขึ้นมาถึงเนี่ย ก็ถอดหมวกสมันนะยน่ากินถอดยังใส่หมวกกันอยู่นะมถอดหมวแล้วก็ไว้สมียนริงไมันตกใจเลยหัวหน้าสารใหญ่นะแต่ว่ามาไหว้ตัวเองก็รับไหว้ให้ไม่ทันแล้วก็บอกว่าผมมาขอติดต่อนะูลละนะกับศกษสาธิการสมียนเนี่ยก็ เดินเรื่องให้ทันทีเลยนะให้ศึกษาให้ผู้ว่าเซนแล้วพอเสร็จเรื่องอุรณนนาสาังบอกว่าขอบคุณมากนะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่เจ้ผมรับใช้ก็ก็ช่วยบออนะครับแล้วก็ลงจากสาราลงจากสาลากลางไปไม่กี่วันต่อมาหลวงพจุฬาฯก็พบกับอหน้าศางก็เลยถามว่า ถ้าเป็นหัวหน้าสารเนี่ยก็เป็นข้าราชการท่านบุ้ใหญ่ทำไมทำไมมีความอ่อนน้อนของผมอย่างนั้นหัวหน้าสารก็บอกว่าผมมันก็เป็นหัวหน้าสารแต่เฉพาะอยู่บัรลังแต่พอลงมาจากบรรลังแล้วก็เป็นประชาชนธรรมดามันไม่มีความหมายอะไรจะมีความหมายก็ต่อมาขึ้นบัรลังเท่า น, นั้นเอง คืออันเนี้เป็นภาพตัดกันระหว่างสองคนนะพ่วงก่ากับหวัวหน้าสารเสื่อมาคิดว่าถ้าถามทุกคนว่าข้าราชการที่ดีควรจะเป็นอย่างไรเนี่ยทุกคนก็ยัตอบได้ว่าข้าราชการที่ดีเนี่ยก็คือหัวหน้าสารอย่างที่หลวงพ่อเจริญได้เล่าคือหัวหน้าสารเนี่ ย, ยก็เป็นคนที่พอจะรู้ธรรมะอยู่บ้างก็รู้ว่า ไอ้ตำแหน่งหัวหน้าศาลเนี่ยมันเป็นสมมุติเป็นสมมุตนะิก็คือว่าเวลาเป็นขึ้นศาลเขาก็สมมุติให้เป็นหัวหน้าศาลแต่ว่าพอลงมาจากศาลลงจะบรรลังก็เป็นประชาชนธรรมดาก็วางสมมุตินั้นได้นะ จะไปไหนมาไหนก็ปฏิบัติกรมเหมือนเขาเช่เหมือนคนทั่วไปแต่เดี๋นี้เนี่ยเราเราไปหลงสมมุติกันมากนะสมมุตินี่เราเรียกหัวโขนหัโขนเนี่ยเราเราสวมหัวโขนนี่ก็ชอบเวลาเล่นโขนใช่ไหมฮะเวลาลงจับเวทีต้องสวมไหมฮะถ้าใครที่ลงจับเวทีเล่นสวมหัวโขนอยู่นี่ จะเข้อห้องน้ําก็ยังสวมอยู่จะไปจะนอนจะกินก็ยังสวมอยู่นี่เขาก็หาว่าบ้าถ้ามันไม่ไปบ้าก็วางโม่ตําแหน่งในราชการเนี่ยมันก็เป็นเป็นสมมุติเราเป็นหัวโขนอย่างหนึ่งเวลาเราสวมหัวโขนนั้นเราก็เล่นเต็มที่สมมุติบาาแต่เวลาเวลาเลิกเล่นก็วางรู้จักวางได้ถ้าเราคิดแบบนี้เนี่ยจะทําให้เรามีความอ่อนน้อมถ่อมตัวขึ้นเยอะ ที่เราตัวอย่างวันนี้ก็เป็นบทบาทเป็นพฤติกรรมของราชการเมื่อเวลาออกเมื่อเวล า, าไปปฏิบัติภารกิจนอกราชการนะแต่จะมาคิดว่าสำคัญแะทั่งเวลาเราปฏิบัติภ า, าราการิจในในเวลาราชการก็สำคัญเหมือนกันก็นะถ้าเรามีความ อ, อ น, นอน้าถ่อมตัวนะ เราก็จะเป็นที่ค้นหาแสงประชาชนได้และเราก็จะเป็นคนที่น่ารักมากขึ้นเพราะว่าความหลงตนเนี่ยภ า, าภาษาพัดรียกว่ามานะคําว่ามานะนี่ไม่ใช่คำดีนะะมานะนี่เป็นกิเลสอย่างหนึ่งกิเลสมีสามอย่างนะโลภโกรธหลงอันนี้ชุดหนึ่งอีกชุดหนึ่งก็ตัณหามานะทิฏฐิมานะคือความถือตัว ถือตัวว่าเหนือเขาถือตัวว่าเด่นกว่าเขานะตรงเข้าขความอ่อนน้อมถ่อมตัวแต่เดี๋ยวนี้เราไปใช้คำว่ามานะคือความมานะพยายามไปใช้คำว่ามานะคู่กับความขยันซึ่ง อ, อันนั้นก็แสดงว่าคนสมัยก่อนเนี่ยขยันเพราะว่ามีความถือตัวเช่นถือตัวว่าเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้สิ หรือขัตติยมานะขัติยมานะคือมานะอย่างกริย์ก็คือว่าจะไม่ยอมแพ้เพราะว่าฉันเป็นกรนะสับเขาทำได้ฉันก็ต้องทำได้อันนี้คือมานะครั้นี้เนี่ยถ้าเราหลงตัวมากๆเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกรู้สึกว่าฉันเป็นคนสำคัญแล้วเราจะมองให้นคนอื่นต่ำ ซึ่งมันก็จะไปทำให้เรามีความทุกเพราะเราะก็จ ะ, จะปฏิบัติกับคนโดยอำนาจมากกว่าโดยใส่ความความเมตตาเราจะมาจะข้ามไปนะพอเรามีเวลาน้อยนะประเด็นที่ประเด็นต่อมานะคือว่าข้อ5้านะคือความรักและภูมิใจในงานที่เราทำสำคัญมากเลยฮนะคือทุกวันนี้เนี่ยเรามีความสุข กับงานที่เราทําน้อยเราก็เลยทํางานแบบสั่งตายขอเป็นทีแต่สมาคิดว่าถ้าเรามีความรักในงานเนี่ยมันจะทําให้เรามีทํางานมีความสุขและความสุขจากงานนั้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราเป็นอะไรบางคนจะคิดว่านะฉันต้องเป็นผู้อํานวยการเป็นหัวหน้ากองเป็นอธิบดีถึงจะมีความสุขแต่ที่จริงไม่ใช่มันต้องอยู่ที่มุมมองด้วย เราจะอยู่ตำแหน่งนะั้นเราก็มีความสุขได้ถ้าเรามองให้เป็นในสมัยจอมพลปอนะฮะมีมีเสมียนคนหนึ่งที่ทำเนี่เสมียนคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทํางานมีความสุขมากเลยทั้งที่ตำแหน่งเขก็ต่ำคนก็ถามว่าทำไมถึงมีความสุขก็บอกว่าผมเนี่ยนะ านายผมนี่มันดีกว่านะดีกว่าใครทั้งสิ้นแม้กระทั่งดีกว่านายกนายยกคือจอมพลปนะแล้ววันนึ่งจอมพลปอดได้ยินแล้วก็เลยเรียกสนาธิกคนนี้ขึ้นมาแล้วก็ถามว่าพูดอย่าี้จริงหรือเปล่าสนาธิกก็บอกว่าพูดจริงจอมพลปก็เลยถามว่าทําไมเสมนาธิกก็บอกว่าผมเนี่ย ยังเลื่อนท่านได้อีกเยอะแต่ท่าน่ะเป็นนายกอ่ะเป็นจอนมพลอ่ะตันแล้วถ้าตันแล้วแต่ผมเนี่ยยังมีโอกาสเลื่อนขั้นได็กเยอะผมก็มีความสุขมากเลยนะคืองานผมยังมีอนาคตงานท่านมันตันแล้วนะอันนี้ก็คกล้ายๆกับที่คุณหมอท่านหนึ่งเนี่ยเขาจะคุคณหมออุดมศิลป์คุณหมออุดมศิลป์ิ์แห่งนามเคยเล่าว่าสมัยที่ ออจะะกจากราชการแล้วไปช่วยคุณพ่อทำบริษัทเป็นบริษัทใหญ่แลวก็จะมีก็จะสังเกตว่ามีคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยทำงานมานานแล้วแกก็คอยเป็นคอยอยู่บริเวลานจอ ด, ดรถทาหน้าที่เฝ้าหรือให้ให้ให้สัญญาณจราจรคุมรถเข้าคุมรถออกถ้าทำกระฉับกระเฉงมากอายุก็หกสิกว่าแล้ววันหนึ่งก็เลยถามว่า ลุงท่าทาจะทำงานมีความสุขหลือเกินนะลุงก็บอกใช่มีความสุขมอทีเสียงก็ถามว่าทาไมอ่ะทำไมถึง ม, มีความสุขอยู่ลุงก็อยู่นี่มานานแล้วนะคุณลุงก็บอกว่าจะไม่มีความสุขได้ไงนะเวลาผมสั่งให้รถหยุดรถก็ต้องหยุดแนะแต่รถผู้ผู้จัด ก, การก็ต้องหยุดต้องฟังคำสั่งผมเวลาผมสั่งให้ออกรถผู้จัด ก, การก็ต้องออก นะคือทุกคนก็ทำตามสั่งผมหมดอนะไง แ, แกเลยบริเนตแกเลยมีความสุขนะแกเห็นคุณค่าของงานที่แกทำนะจริงอยู่เหตุผตของแกนี่อาจจะเป็นเหตุผลในลักษณะที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอีโก้สักหน่อยนะแต่ถ้าเรามองแบบนี้บ้างเราจะอยู่ตำแหน่งไหนก็มีความสุขทั้งน้ำปัญหาคือเร่องที่เรามองไม่เป็นนะเราก็เลยทุกกับงานที่เราทํา แาจจมันจะข้ามไปเลยนะะถึงประเด็นสุดท้ายนะก็คือว่าไม่ว่าเราจะจะเป็นใครก็ตามนะสิ่งสำคัญคือว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งและความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จําเป็นต้องมีคือเราต้องมองชีวิตให้ถึงที่สุดมองชีวิตให้ถึงที่สุดนะอะ่ามองชีวิตของเราเพียงแค่ ห้าปีสิบปีไม่ว่าเราจะใหญ่มาจากไหนก็ตามถึงที่สุดเราก็ต้องตายใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าลงคนเวลานี้เนี่ยเราอยู่แบบเราอยู่แล้วใช้ชีวิตแบบลืมตายนะแล้วเราคิดว่าช่วงเราเนี่ยเราก็มองเพียงแค่ห้าปีสิบปีหรือมองแค่ชีวิตในราชการ จุ่งหมายของชีวิคือได้เป็นอธิบดีได้เป็นหัวหน้ากองได้เป็นประหลัดอะไรก็แล้วแต่แล้วเรามองเราก็มองชื่ิของเราแค่นั้นนะจบแค่นั้นคือว่าต้องให้ได้ตรงนั้นเท่า น, นั้นแต่เรามองหรือ ม, มองเลยไปนะฮะว่าไม่ว่าจะเป็นประหลัดไม่ว่าตำแหน่งไหนก็ตามเนี่ยถึงเวลาก็เสียแล้วก็เป็นคนธรรมดา และถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องตายฮะปัญหาคือเราจะตายอย่างไร <c oughs> เราอยู่อย่างไรไม่พอนะฮะเราอยู่อย่างไรเราปฏิบัติราชการอย่างไรไม่พอ <c oughs> ต้องมองให้เลยไปถึงช็อตสุดท้ายด้วยมองข้ามช็อตสักหน่อยนะฮะ <c oughs> เพราะในสุดเราก็ต้องตาย <c oughs> เราจะตายอย่างไร และสิ่งที่เราสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันช่วยให้เราตายอย่างสงบได้หรือเปล่าความตายเป็นหน้าที่ของทุกคนนะความตายเป็นหน้าที่ของทุกคนแต่เรามีสิทธิ์ที่จะตายอย่างสงบได้ความตายจึงไม่น่ากลัวเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะตา ย, ยางสงบได้ปัญหาที่ว่า เราสามารถจะใช้สิทธิ์หรือพร้อมจะใช้สิทธิที่จะตายสงบได้หรือเปล่าเรามีสิ่งที่เรามีเนี่ยลองถามสักหน่อยฮะสิงที่เรามีสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตในวาสุดท้ายได้อย่างสงบและภาคภูมิใจได้หรือเปล่ารวยเท่าไหร่ก็ต้องตายฮะ ในเวลาที่เราต้องตายเนี่ยการทำพุทธศาสนานเนี่ยสิง่งสำคัญที่สุดนะฮะไม่ใช่เงินไม่ใช่เกียรติยศไม่ใช่ตําแหน่งแต่คือความดีคือบุญคือกุศลต่อมาที่ว่าเราต้องมองไปจะทําแล้วต้อตามเนี่ยนอกจะมองไปข้างบนคือในหลวงแล้วนะฮะหรือมองไปที่พ่อแม่ของเราแล้วเนี่ยมองไปข้างหน้าฉอดสุดท้ายว่าเร า, เร า, เร า, เราจะต้องตาย เราอยากจะตายแบบไหนฮะแล้วเราเตรียมหรือยังที่จะตายแบบนั้นทุกวันนี้เราไม่ได้เตรียมนะฮะล้วก็ตั้งหน้าตั้ง ต, งตาหาเงินหาทองสะสมทรัพย์สมบัติแต่เราไม่เคยถามเลยว่าและที่มีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราไปอย่างสงบได้หรือเปล่าหรือใช้ชีวิตในวันสุดท้ายได้อย่างมีคุณค่าหรือเปล่า อาจารย์เบอร์าเคยเคยเขียนเป็นปุชาวิสัชนาสั้นๆ น, นะว่าเราจะมีชีวิตที่ดีที่สุดได้อย่างไรปรชุชานะวิสัชนาก็คือเตรียมตัวตายอยู่เสมอแล้วเราจะเตรียมตัวตายให้ดีที่สุดได้อย่างไร นี่คือปรุชาวิสัชนาคือการใช้ชีวิตให้ดีที่สุดอามาคิดว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราในฐานะที่เป็นมนุษย์นะจะต้องคำนึงแล้วมันจะไปมีผลสัมพันธ์กับเรื่องกามเป็นข้าราชการของเรานะเพราะว่าถ้าเราใช้ชีวิตข้าราชการนี่ยมีคุณค่ายัางอย่างมีความบริสุทธิ์สะอาดเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากไปจากโลกนี้ก็จะจากไปได้อย่างสงบ ได้อย่างไม่ทุลนทุลายโดยความเมื่อเราได้เตรียมตัวในเรื่องชีวิตในวัรัสุดท้ายอยู่เสมเอ <c oughs> อาตมาเอาความไม่ได้เอาเรื่องที่น่ากล่วงมาพูดนะั้นอาตมาเอาความจริงมาพูดเพราะว่าความจริงก็ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนของทุกชีวิตแต่ขณะเดียวกันความตายก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ไม่แน่นอนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหรจะตายอย่างไรจะตายที่ไหนจะตายเมื่ อ, อยุทเท่าไหร่จะตายในลักษณะใดเพราะฉะ น, นาตนจมาคิดว่าอยากจะให้เราต้องเตรียมตัวอยู่เสมอและเราเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมตัวเข้าวัชวาระอะไรก็ได้เตรียมตัวด้การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างดีที่สุดนปฏิบัติหน้าที่อย่างในฐานะที่เป็นข้าราชการอย่างดีที่สุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างดีที่สุด ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นมนุษย์อย่างดีที่สุดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพะสงฆนิกรยอย่างดีที่สุดและนั่นแหละคือคือสิ่งที่จะลำเลียงเราเข้าสู่ชดสุดท้ายได้อย่างดีอัตมาอยากให้คำนึงตรงนี้ด้ยบ้างเพราะทุกคนต้องมาลงเอยที่ตรงนี้แต่เราลงเอยต่างกันลงเอยอย่างสงบลงเอยอย่า ง, งทุรทุลาย หรือไม่ขึ้นอยู่กับวินาทีนี้ฮะและขึ้นอยู่กับวินาทีต่อไปจากนี้ว่าเราจะอยู่และทํางานอย่างไรอาตมาก็ใช้เวลาพอสมควรในช่วงในช่วงบรรยายนี้นะฮะยังไม่ยังมีเวลาอยู่อาจจะมีการซักถามแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะอยากจะถามผู้ทางทาง ผู้ในการท่านก็อยากให้เราได้ทดลองได้มีการทำสมาธิภาวนาะสักเล็กน้อยด้วยตอนนี้ขอยุติสำหรับเพื่อเปิดการมีการสักถามถ้าจะมีนะครับขอเชิญ